เสียงธรรมกล้องกังวาลที่บ้านตาดหลังจากได้ติดตั้งเครื่องเสียงที่สวนแสงธรรมแล้วทําใไม่นึกถึงที่สาราวัดป่าบ้านตาดวันที่ท่านถามเรื่องการถ่ายทําเรื่องชีวิตในวัดป่าบ้านตาดท่านต้องส่งเสียงถามข้ามสาราจรึงตัดสินใจกราบเรียนหลวงตาว่าที่สาราวัดป่าบ้านตาดยังไม่มีเครื่องขยายเสียง ทำให้การเทศของหลวงตาต้องใช้เสียงมากและหลายคนไม่ได้ยินโดยเฉพาะคนที่อยู่ใต้ศาลาสภาหนูทั้งหลายต้องเงี่ยหูฟังท่านอย่างใจจดจ่อแทบไม่ต้องหายใจและเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาเป็นโรคหัวใจด้วยยิ่งทำให้ท่านต้องเหนื่อยมากขึ้นจึงขออนุ ญ, ญาตติดลำโพงเครื่องขยายเสียงที่พอจะอัดเสียงได้ดีกว่าเดิมและให้ญาติโยมได้ยินโดยทั่วกันภายในศาลาไม่เอกเ่กเกเิกท่านพยักหน้า จึงได้โอกาสจัดถวายเครื่องขยายเสียงและลำโพงหลายตัวผมพร้อมทั้งเพื่อนรักคุณมิชัยเพชรทองคำรีบเดินทางขึ้นไปที่วัดโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งคนปฏิบัติงานอีกสองคนเข้าวัดตั้งแต่เช้าท่านน้อยออกมาต้อนรับเช่นเคยได้เรียนท่านว่าหลวงตาอนุญาตแล้วให้มาดำเนินการได้ท่านน้อยไม่แน่ใจว่าท่านอนุญาตต้องยืนยันว่าผมรับผิดชอบเองได้กราบเรียนแล้ว และจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้หลวงตาจะกลับวัดวันนี้ตอนเย็นโดยทางรถยนต์ท่านน้อยจําต้องนิ่งเฉยมองดูด้วยความไม่แน่ใจตลอดเวลาการติดตั้งเดินสายวางลําโพงทั้งบนศาลาและต่อลงมาที่ใต้ศาลาเพื่อสภาหนูจะได้มีโอกาสฟังได้อย่างสบายพร้อมทั้งจัดไมโครโฟนที่มีความไวในการรับเสียงของท่านหลวงตากลับถึงวัดเวลาประมาณ5้าโมงเย็นในวันนั้นหลวงตาได้กล่าวกับท่านน้อยว่า เป็นเรื่องของคาราวะาไม่ใช่เรื่องของพระและให้ท่านน้อยคอยดูแลด้วยเพราะท่านน้อยจะต้องเป็นผู้อัดเทปเพื่อเผยแพร่ออกสู่ประชาชนและลูกศิษย์ที่ต้องการนําไปฟังและเก็บไว้เป็นสมบัติของวดัดเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือดังที่เคยทําวันรุ่งขึ้นท่านน้อยได้จัดดําเนินการไปเช่นปกติเทปของหลวงตาส่งเสียงดังทั่วศาลาได้ยินทั่วกันหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์ได้มีโอกาสกลับไปวัดอีกครั้งหนึ่ง พบว่าลำโพงเครื่องเสียงและเครื่องบันทึกเทปเปลี่ยนใหม่ทุกตัวทันสมัยขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้มีโอกาสดูแลาธาตุขันของท่านให้ผ่อนแรงลงได้มากกว่าเดิม บารมีคุ้มหัวคุ้มกล้าวหลังจากที่ได้ลาสิคขาจากการเป็นพระออกจากวัดมาแล้วผมมีความเคารพนับถือหลวงตาอย่างมากเสมือนหนึ่งท่านเป็นหลวงพ่อที่ให้ผมได้เกิดมาเป็นคนใหม่ผมเดินทางไปกลับต่างจังหวัดอยู่เสมอ ทุกครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนึกอยากไปก็ไปไม่เป็นเวลาจำได้ว่าคืนนั้นเป็นวันพุธผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเช่นเคยแต่เนื่องจากพี่กรมโทรมาหาอยู่หลายครั้งให้ผมมากราบท่านผมจึงได้มากราบท่านที่สวนแสงธรรมกราบเรียนท่านว่าผมขออนุญาตไปทาธุระที่ลำปางในคืนนี้ท่านก็อนุญาตพี่กรม ได้มอบเหรียนหลวงปู่มั่นเลี่ยมทองให้เป็นของขวัญยังนึกแปลกใจว่าพี่กรมช่างใจดีเลี่ยมทองมาให้ด้วยพร้อมกับกล่าวว่าพี่ผมรักพี่ผมและพี่กรมต่างคนต่างเรียกอีกฝ่ายว่าพี่มีความรักและเคารพกันดุดพี่น้องเพราะต่างเข้ามารับใช้หลวงตาในเวลาเดียวกันแรกๆพี่กรมเฝ้าดูอยู่ห่างๆผมกาลังถวายอาหารอยู่ตรงหน้าท่านเห็นพี่กรมอยู่ริมศาลา ตาสบกันพอดีจึงส่งสัญญาณให้มาช่วยงานกันจากนั้นก็คบหากันมาโดยตลอดเช่นเดียวกับสารวัตรซึ่งเห็นนั่งอยู่ที่เชิงบันไดใกล้ๆ ก, ก, ก, กับพี่กรมจึงชวนมาช่วยงานรับใช้หลวงตาเดี๋ยวนี้เป็นผู้กํากับใกล้ชิดหลวงตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคืนนั้นผมเดินทางไปลําปางโดยรถยนต์มีพนักงานขับรถไปหนึ่งคนออกเดินทางหลังจากกราบหลวงตาแล้ว ขาไปผมนอนไปตลอดทางถึงลำปางตอนเช้าและให้คนรถนอนพักทั้งวันผมดูแลงานจนเสร็จตกค่มจึงเดินทางกลับเหรียญที่พี่กรมให้ผมใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตพาดไว้ที่พนักเก้าอีา้หน้าเพราะไม่ได้ใส่สร้อยคอนัดกับน้องนักบินพันตำรวจเอกสนธยาเขียวสลับไว้ที่ตากว่าจะกินข้าวเย็นด้วยกันเพื่อนที่เป็นผู้จัด ก, การธนาคารขอติดรถกลับมาด้วย เพื่อจะพาลูกชายไปมอบตัวที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือออกเดินทางจากลำปางตอนเกือบทุ่มไม่ได้เกือบร้อยกิโลเมตรแล้วต้องกลับไปลำปางใหม่เพราะลืมเอาเอกสารที่จะต้องใช้ในการมอบตัวมาด้วยโดยเพื่อนนั่งหลังคนขับและผมนั่งหน้าคู่กับคนขับเช่นขามามาถึงตากที่นัดหมายเกือบสามทุ่มรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็ออกเดินทางเข้ากรุงเทพ เติมน้ำมันเต็มถังกะตียาวถึงกรุงเทพเลยขนาดจะก้าวขึ้นรถเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าหากนอนราบเช่นขามาถ้ารถชนกันคอผมขาดแน่จึงจัดที่นั่งใหม่โดยปรับเก้าอี้เอนขึ้นมาอีกทำมุม90ปองศาแต่เอียงเบาข้างหน้าขึ้นรัดเข็มขัดให้ตึงเต็มที่ และเอาหมอนรองหน้าอกยกเข่าซ้ายขึ้นดันคอนโซลหน้าไว้และตั้งจิตให้หลับนิ่งมาจนถึงนครสวรรค์ทางแยกไปกำแพงเพชรเกิดเสียงดังชนิดฟ้าผ่าอยู่บนหัวรถหมุนคว้างและกระเด็นขึ้นไปบนเกาะกลางแยกขวันคลุ้งไปหมดกระจกหน้าแตกละเอียดแว่นตากระเด็นหายไปไหนไม่ทราบเจ็บหน้าอกเต็มทีหายใจก็หนัก หันไปเรียกคนขับรถและเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังคนขับรถถูกพวงมาลัยอัดแน่นหน้าอกลืมตาขึ้นมามองแล้วหลับไปอีกหันไปดูเรียกเพื่อนให้ตื่นได้ยินเสียงครอกจากลำคอไม่มีความรู้สึกประตูเปิดไม่ได้เห็นคนเดินฝ่าหมอกควันเข้ามาเรียกให้ช่วยดูเหมือนไม่มีใครได้ยินใจหายวาบนึกว่าเราตายแล้วเหรอควันคลุ้งไปหมดกลัวไฟไหม้รถเราเพิ่งเติมน้ามันมาเต็มถัง ตาฝ้าฟางมองไม่เห็นเพราะสายตาสั้นแว่นหายไปไหนไม่รู้ต้องพลิกตัวกลับออกจากรถทางประตูหลังไม่รู้ออกมาได้ยังไงฝูงชนเริ่มมามุงดูแต่ไม่มีใครพูดอะไรใจยังนึกอยู่ว่าตายหรือยังมองดูรถแล้วไม่แน่ใจว่าออกมาได้ยังไงเพราะหน้ามอยุบเข้ามาหลังคายน่นเพื่อนยังติดอยู่ในรถไม่ไหวติง คนขับก็คอบพับอยู่กับพวงมาลัยจนตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสามางัดรถเอาคนเจ็บออกจากรถไปส่งโรงพยาบาลผมยิงเสื้ออยู่ที่รถไม่มีบาดแผลอะไรเลยเศษกระจกหน้ารถแปะอยู่ที่หน้าผากมียางเลือดออกมาเล็กน้อยคว้าเสื้อที่แขวนไว้ที่พนักออกมาใส่คลำดูว่าเหรียญหลวงปู่มั่นยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครบเรารอดมันได้ยังไงเนี่ย ได้ยินเสียงวิทยุแจ้งมาจากอาสาสมัครว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเพราะคอหักและบาดแผลจากหลังคายุคส่วนคนรถต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเนื่องจากตับแตกจากการกระแทกของรถสาเหตุเกิดจากการที่ถูกรถ6ล้อบรรทุกควายแต่เป็นรถเปล่าตัดหน้ากระทันหันเบรกไม่ทันจึงชนที่ล้อหน้าของรถหล้อด้านคนขับรถรถเราเสียหายใช้การไม่ได้ พึงซื้อมาใช้ได้สามเดือนเท่านั้นผ้นจากอุบัติเหตุคืนนั้นเสียชีวิตหมดทั้งสองคนเหลือรอดมาได้คนเดียวคือผมเองส่วนรถพังทั้งคันไม่น่าเป็นไปได้ที่รอดมาได้จากอุบัติเหตยุยังไม่เชื่อจนกระทั่งคนจากกรุงเทพเรียบขึ้นมาดูแลช่วยเหลือขอให้หยิกหน่อยจนรู้สึกเจ็บเออยังไม่ตายจริง ตอนเช้าพี่กรมได้รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุขอให้กราบเรียนหลวงตาท่านกําลังใช้มีดหั่นมากท่านหยุดทันทีและกล่าวว่าเราไม่นึกว่าคุณหลวงจะกลับมาแต่ต่อมาท่านก็กล่าวต่อว่าไม่เป็นไรแล้วชีวิตผมรอดตายจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆ หากไม่ได้มากราบท่านในคืนนั้นและไม่ได้บารมีของหลวงปู่มั่นที่พิกรมให้ไปผมคงไม่ได้มีโอกาสมาเจาะ อ, อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้บารมีของท่านคุ้มหัวผมเมตตาของท่านปกป้องผมจากภัยพิบัติให้รอดพ้นจากอันตรายถึงชีวิตผมเชื่อว่าเป็นอภินิหารของท่านที่ทําให้คลาดเคล้าอยู่จนทุกวันนี้ วายรถเพื่อถนอมทาตุขันหลวงตาท่านอยู่ง่ายไม่แสวงหาเน้นให้ลูกหลานเพ่งพิจารณาประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอยู่ในความไม่ประมาทผมเคยใกล้ชิดกับท่านตามปกติของอาจารย์กับสิทธิ์บางครั้งไม่ได้ระมัดระวังคําพูดเคยพูดกับท่านว่าหลวงปู่ดือ้อท่านหันมามองยิ้มยิ้ม อะไว่ามีแต่อาจารย์ว่าลูกศิษย์แต่นี้ลูกศิษย์ว่าอาจารย์ท่านไม่ได้โกรธผมที่ก้าวล่วงท่านแต่เป็นเพราะความขนองเนื่องจากแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลธาตุขันของท่านขอให้ท่านถนอมธาตุขันแต่ท่านมักไม่ค่อยเชื่อหมอจึงต้องกราบเรียนท่านด้วยความเป็นห่วงขออโหสิท่านได้แต่ยิ้มยิ่งอยู่ใกลท่านผมยิ่งห่าง เกรงว่าจะล่วงเกินท่านโดยไม่ได้ระวังผมอยากมองท่านให้เต็มตานานๆชื่นชมบารมีของท่านอยากรักษ า, าธาตุขันในท่านมีอายุเป็นร้อยปีปกติเมื่อหลวงตาจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดต้องอาศัยรถของญาติโยมผมและเพื่อนๆจึงปรึกษาหารือกันว่าจะร่วมกันซื้อรถถวายหลวงตาไว้ใช้สักคันท่านจะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่ต้องคอยญาติโยม ให้เป็นรถของท่านโดยเฉพาะทุกคนเห็นด้วยแต่ไม่มีใครกล้ากราบขออนุญาตหลวงตาปรึกษากันอยู่สองถึงสคนมีพี่ปุกจันพี่กรมคุณเหลียงและคนอื่นๆอีก จ, จำนวนหนึ่งตกลงใจซื้อรถโฟกถวายท่านทำกันอย่างเงียบๆไม่แพร่งแารให้ใครรู้รู้เฉพาะพวกเรากันเองเท่านั้นเพราะเคยได้ยินมาว่ามีคนมาขอท่านแล้วท่านไม่อนุญาต สวัสด์คนขับรถประจำของท่านขอร้องให้ผมช่วยดำเนินการให้ด้วยต้องขอยกย่องคุณสวัสด์ไว้ณที่นี้ด้วยว่าเป็นต้นคิดเรื่องรถหลวงตารถที่ท่านใช้อยู่ขณะนั้นเป็นรถตู้โตโตยตา้าเบอบางไม่ปลอดภัยควรใช้รถที่มีความแข็งแรงและมีกำลังดีกว่าจึงตัดสินใจไปสั่งรถโฟกตู้สีทองหนึ่งคันออกแบบภายในให้ท่านโดยเฉพาะเบะนอนได้ตามยาวเมื่อเวลาเดินทางไกล ยกขอบให้สูงกันไหลเวลารถเบรกมีอุปกรณ์ท่อออกซิเจนขนาดเล็กเมื่อรถเสร็จแล้วจึงนำขึ้นไปที่วัดตอนเช้าจอดอยู่ในวัดไม่มีใครรู้หลวงตาเดินขึ้นศาลายังมองดูอยู่ผมกับท่านดิกสมรู้ร่วมคิดกันเงียบๆว่าจะส่งมอบรถให้ท่านอย่างไรดีคิดอยู่นานจึงทำจดหมายกราบเรียนท่านว่า รถคันนี้เป็นของพวกเราถวายท่านไว้ใช้เพื่อถนอมสังขารและเพื่อความสะดวกและมอบกุญแจรถไว้ให้ท่านดิกก็ได้กราบเรียนหลวงตาพร้อมทั้งถวายจดหมายให้เสร็จแล้วผมกลับกรุงเทพทันทีท่านใช้รถคันนั้นอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นรถคันสีน้ำเงินก็ตามมาจนเวลานี้หลวงตาสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะรถคันแรกชอบเอาหลวงตาไปทิ้งกลางทางเสมอ จากความไม่คุ้นเคยรถของคนขับหลายคนประมาทหลวงตาลวงลำกรรมเกินจับจ้วงท่านเป็นเรื่องของแต่ละคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันกันกบท่านท่านได้แต่วางเฉยเป็นกรรมของสัตว์โลก ตลอดเวลาที่ผมมีโอกาสใกล้ชิดท่านท่านคอยเตือนสติผมจึงได้สติในการพิจารณาความผิดพลาดในชีวิตท่านสอนให้เรงแก้ไขพิจารณาด้วยตนเองจนถึงทุกวันนี้ผมเสียดายเวลาที่ผ่านไปมัวแต่ยุ่งเรื่องต่างๆจนลืมสติขาดความยั้งคิดชีวิตนี้เหลือน้อยเต็มทนแล้วผมดีใจที่มีโอกาสรับใช้ท่านมีโอกาสได้ฟังเทศและติดตามงานของท่านผมขอบวรณาตัวว่า เกิดมาชาติใดก็ตามขออยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามรอยธรรมของหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระชราผู้มีความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวในเรื่องธรรมะข้อวัดปฏิบัติท่านรู้แจ้งเห็นจริงคอยเป็นกำลังใจและแนะนำสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเห็นถึงอันตรายของกิเลสอันตรายต่อชาติบ้านเมืองให้พยายามปกป้องและรักษาชาติบ้านเมืองไว้ ให้เพียรพยายามทำแต่ความดีอยู่ในศิลธรรมมาโดยตลอดเพียงด้วยลมปากของท่านที่ก้องกังวานไปทั่วประเทศส่งเสียงออกไปทุกหัวระแหงให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนส่งเคราะห์โลกส่งเคราะห์ประเทศชาติโดยไม่มีสิ่งแรกเปลี่ยนเป็นเวลาเกือบสิบปีตั้งแต่ท่านเทศช่วยชาตมีทองคาเข้าคลังหลวงเป็นทุนสารองเกือบ1ิตันและเงินอีกจานวนมากเพื่อให้ประเทศพ้นภัยจากภาวะเศรษฐกิจ หลวงตาผู้เป็นพระอริยสงฆ์เมตตาพาให้ทุกคนร่วมทำบุญเป็นบุญใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้ทุกคนได้รับอนิสงส์จากการร่วมบุญในครั้งนี้สะสมไว้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเรื่องราวต่างๆที่ได้บันทึกไวน้นี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยหากโอกาสอำนวยจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปเมตตาธรรมของหลวงตากว้างใหญ่ไพศาลเหลือประมาณ ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่ประเสริฐสุดไม่สามารถบรรยายให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าท่านได้พบกับมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาในขณะนี้แล้วขอให้ท่านเพ่งพินิจหลวงตาให้เต็มตาองค์ท่านจะเป็นแสงสว่างที่ส่องประกายให้ชีวิตของท่านเองหากท่านมีศรัทธาต่อองค์ท่านเช่นเดียวกับผมเพราะเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันลงชื่อ คุณหลวงบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉมีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวพี บานพ้นน้ำสว่างสวยแม้ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใหญ่ประทรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามร้อยบัวพระมหาบัว สูนรวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้อมบูชาพระมหาบัวลูกไหว้วันท้าพระมหาบัวลูกขอสัญญา จะมีพุโทโธเป็นหนึ่งกับลมหายใจจะก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมรคคาจะลอยพ้นหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทารานอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัว แหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อน้ำจะเป็นบัวงามเดินตามพระมหาบัวจะเป็นบัวน้อยตามร้อยพระมหาบัวขอปฏิบัติบูชา วันทาพระมหาบุตร